เราแต่เราชีวิตมีสิ่งที่เราเกี่ยวข้องหลายอย่างที่เราจะต้องทําดีที่ <c oughs> ทำไว้ในใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทําไว้ในใจให้มรรคผลนิพพานทําไว้ในมี ขอมีเพิ่นผงมีททายาญาติโยมเจ้าภาพทั้งหลายเนี่ยเอ่อ รับความช่วยเหลือก็มีสิ่งได้ไม่มีโอกาสได้รับความช่วยเหลือก็มีถ้าเราอยู่ <c oughs> เรเราธรรมแล้ว เอ่อเพื่อที่ว่านี้เพื่อความดีความงามเพื่อช่วยเหลือวันที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ให้เขาได้พรรณุธรรมเห็นธรรมนะต้อง <c oughs> อย่าให้เป็นความรู้สึกตัวดิ้นๆก็ไม่ดูก็ก็อย่าไปการติด อย่าผลผันผันแล่นอย่า คำศรัทธาว่าทําดีมันก็ดีทําชั่วมันก็ชั่วเรามาสร้างสติเราทําดีผ่านนี่แล้วคนที่มีสติ <c oughs> มีพวกบอกผู้สอนมีพวกเล่าเอ่อเจเลฟังเทมณีบัณฑิตอยู่ทั่ว ฟังสัจธรรมบ้างสัทธรรมบ้างบัณฑิตกล่าวสัจธรรมอะไรกับ ความนิฏฐิเนี่ยเริ่มแล้วก็ละเริ่มจะลบใน การสอนที่เป็นปัจจัยการเพราะอวิชชาขอให้เกิดสังขารสังขารขอให้เกิดนาม ก็ไม่รู้รู้ก็รู้ผิดนะเราก็บุกเอออ่าทั้งต้นจากสติเปิดแพ้พ่ายแพ้ไปแหละพ่ายแพ้ไป ฟังทีถ้าไม่มีศรัทธาก็หยุดแล้วกลับบ้านจ้อยโกรธแล้วคิดแล้วโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบ ไอ้ชาคือป่าของชีวิตมันมืดมาที่ใดมีป่าอย่าประมาทเสือบ้า หรือไม่มี쪽에ร分ศ อ่าววิธาเสืออัล photoshopไม่มี tired ภาบาท มีลงงụคิด แมลงแน่เย็ קริษzed Susan's셨어요, มีภาบาทนะRISM It's only a twisted artist.acadengaya.id.cpone or Geldix.d Además of the new Möglich films failed.sателя Ros andeti Tambour has to end, there's only still沒 into aPower.ест, it's only there! but it turns out that there's fenn adjustments and fall. Karton is between a northwest and days andWestern.ger.as, but they want ถ้าภพภพมันจึงไม่ขึ้นความไม่ป่าที่ป่าป่าภาษาโลกๆป่าในอ่าเออเสร็จตัวความนี่ มันคิดพุ่ง ถ้ามันไม่ได้แต่ก็ทําให้ตัวเราได้ก็เกิดศรัทธาอย่าหลุดไปเลยศรัทธา พอไม่มีสัตตาไม่ตกไปไหนแล้วไม่มีสัตตาค้ำไปก็หลุดง่ายไปไม่มีสำรวมอินทรีย์ไปไม่การสำรวมอินทรีย์โหล่งโล่งโจ่งโจ๋มผลผันพันแล่นก็ไม่ อะไรต่างๆดูแลมันถึงจะงามอัญญะสร้างสติ แล้วฟังคําสอนของท่านเรียกว่าสัทธรรมสัทธรรมเป็นธรรมที่ทําได้ปฏิบัติได้มั้ยเช่นพระ วิญญาณไม่เที่ยงรูปทั้งก็ไม่ อ๋อฟังไปถามไปไปเลาะจริงๆธรรมะเทศนาของพุทธเจ้าเนี่ยเราสัตบุรุษผู้ที่บอกความจริง มีศาสนธรรมกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมต่อตัวเองมันมีมันมีหลักอยู่ดอก 100% เฉเลยมันลงบ้างวรรคไว้บ้างเว้นวรรคไว้บ้างอย่า โยนิโสมนสิว่าทําให้แยกแคลหรือว่ามีศรัทธาทําไว้ในใจอ่าการเจริญสติไม่โกรธความหลงเราก็ได้บทเรียนที่จะสร้างความไม่หลงความทุกข์เราก็ได้บทเรียนที่สร้างความไม่ทุกข์มันมี ตรงกันข้ามอยู่เช่นข้ามอยู่เจ้าสิธัตถะเห็นเกิดเจตเทียมองตรงนะมองไปมาเห็นสมณะมีโอกาสควรที่เตรียมเตรียมที่จะดําเนินชีวิตนะคิดดีๆหน้าคิดหลัง เนตตากับพิมพามีความรักกันที่สุดความพิมพาเนี่ยเป็นความรักที่เกิดโพธิญาณไม่ใช่ความรักเพื่อเกิดกิเลสตัณหาในผู้หญิงคนเดียวนะ และสิทัตถะเป็นพระพุทธเจ้าโอ๊ยหลับสบายเย็นน่ะความรักใคร่เกิดโพธิญาณสิทัตถะก็รักพิมพ์พาเพื่อ ไม่ต้องกลัวขนาดนั้นมามาๆให้คนอื่นเย็นลง พระฤาษีอยู่ที่สกโตอยู่ที่ไหนที่ทํางานที่ บางคนเบื่อหน่ายพระสงฆ์ก็เลยไม่อยากคบกับพระสงฆ์ไม่อยาก <c oughs> หยุดเย็นวางปล่อยทุกคนพานคือความชั่วร้ายคิดร้ายพูดร้ายทํา ฟังตาทางโหจะโยกเล่นกายใจคิดดี สวรรค์หลังค่ำมง 8 กระตุกน้อยๆหลังค่ำมง 8 กินปลาแดกคาดใน 2 สลึงในมือเฮาเจ้าเก็บฮะทําโบราณ 100 ปี 1,000 ปีเนี่ยนี่สลึงเพิ่นมนต์จบให้ครบบาท 10 เบี้ยอย่าฝากน้ําอย่าอ่าวคันนึงหา 2 สลึงในมือให้เจ้าพ่อเอา อาจารย์เจงเป็นพระอรหันต์เป็นโภูมิตาธิบไปแฮ่กันไปอ่ามันไกลเกินไปเราก็ไม่ได้อะไรนะไปไปดูพระเกี้ยวแก้วเอ้อโอ้แฮ่กัน <c oughs> พระธรรมประสงค์พุทธะ อ่าประสงค์คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตอบสังทุกข์ปฏิบัติสมควร <c oughs> ภิกษุภิกษุนี้ผู้นั่งใกล้ๆกับ ไปดีไปทํางานก็ไปดีกลับก็กลับมาดีทําอะไรก็ทําดีสุโกโตคือผู้ที่ ห่าละก็เครื่องขยายเมื่อละก็เครื่องประชา อ่าศรัทธาเจ้าภาพทั้งหลายที่หามาหาโน่นอันนี้มาให้หาโน่นอันนี้มาให้ศาล ให้มีมันมีเนื้อนาล่ะศรัทธาเนี่ยนั้นเรามีนาถ้ามีศรัทธาเรา อาการเจริญสตินี่ให้อย่างแนวร่วมเครื่องมือเพื่อที่ให้สติงอกงามเราก็ทําโดยตรงละ รู้ตัวทั่วพร้อมรู้ตัวเป็นหน้าโลกพร้อมที่จะรู้ อันใดที่มันไม่ดีก็ลบของที่ไม่ดีไปทําความดีเรียกว่ารู้ตัวทั่วพร้อมไม่ใช่สร้างเฉยว่ารู้แต่สร้าง มันคิดพร้อมที่จะกลับมาหาความถูกมันทนพร้อมที่จะกลับมาหาความไม่ทุกนี่ว่ารูดตัวทั่วพร้อม ไม่ฉันได้มั้ยเอาเม็ดเดียว 90% เกือบ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ฉันฉันคิดขลุก เอาปุ้งนี่เนาะวันนี้ไม่เอาเอ 2 3 4 วันเอ่ออาจจะปรากฏ แล้วก็รู้ว่าวัดเราคืออะไรตรงไหนก็ก็มา ถ้ามาคอยหว่านก็ได้มากมากอันนี้ก็มีอืมโรงทาน เอออยู่ตอนนี้ไปอยู่มหาวันว่าจะชวนท่านมาอยู่นี่แล้วไม่รู้หายไปไหนอีกทําครัวตรงๆๆๆนี่เลยก็ เกิดรุ่นดาวเก่าเดียวกับของพ่อแต่แข็งแรงกว่าหลวงพ่อมากโดนหายไปไหนก็จะเอาขึ้นมาอยู่สัก แล้วก็ด้วยคนมันพ่อเสถียรก็เรียกลุงพ่อลุงพ่อครับจะ ขณะตะฝายร้อนๆนี่ฝนตกลงมาเลยจบอ๋อมันก็เทพเจ้าเทวดามาช่วยนั่นแหละแปลก <Jean. S 1> เอ่อผลลุกเหมือนกันนะนี่เขาว่านักศึกษาวิทยาลัย สามารถทําผมผมผมก็ 10 โกรกจะให้ปลอก 10 โกรกหลังหน้ามีมั้ย jag <coughs>